Thank you. ด้วยเหตุผลดุสาเหตุต่างๆกันบางคนมาก็เพื่อจะได้ทําบุญบางคนมาก็พ่อหวังจะสะกเคราะห์บางคนมาก็พ่อหวังโชคหวังลาบหวังวัตถุมงคลที่จะนําไปสู่ความสุขความเจริญหลายคนก็มาเพื่อภาวนาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็คงจะมาด้วยวัตถุประสงค์ข้อนี้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 ก็มีความสุขที่ได้อยู่ใกล้เขาหรือเธอบางคนก็มีความสุขกัการได้นะดูพักเครื่องเพราะว่ารักพักเครื่องนะก็อยู่กับพักเครื่องได้ทั้งวันบางคนรักรถเนี่ยก็มีความสุขการแต่งรถมีความสุขกการนะทำความสะอาดเช็ดรถในทังเดียวกันถ้ารักตัวเองก็ต้องมีความสุขเมื่อได้อยู่กับตัวเองแต่คนส่วนใหญ่เนี่ย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 หลับไปโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีโทรทัศน์ไม่มีไลน์ไม่มี Facebook ไม่มีโทรศัพท์นี่ทำให้นอนไม่หลับก็มีหรือมิฉะนั้นก็ต้องออกไปนะเที่ยวห้างไปช้อปปิ้งนะไปสัง่งสั่งกับผู้คนพยายามทำตัวให้บุญทำใจไม่ให้ว่างนี่เป็นอาการหนึ่งนะของคนที่ของคนที่บอกว่ารักตัวเองนะแต่ที่จริงไม่ได้รักตัวเองหรอก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 หรือว่าผ่าร่างกายบ้างาเจ็บก็ยอมนะก็เพราะว่าอยากจะสวยอยากจะมีรูปร่างสดทรงที่น่าพึงพอใจอันนั้นก็อันหนึ่งยกไว้นะเพราะว่าก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ที่ทำอย่างนั้นแต่ว่าที่ทำกันมากนะเรียกว่าจะร้อยทั้งร้อยเลยก็คือว่าการชอบ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 นะความโกรธนะความเศร้าอารมณ์ที่มันบีบคั้นใจเนี่ยนะต่างๆเม่ใช่ความรู้สึกผิดนะความอิจฉาดิสยานะความโลภผู้นี้มันมันบีบคั้นนะมันทิ่มแทงใจแล้วหน้าที่ทำให้ทุกข์นะเต้ก็ยังเก็บเอาไว้นะอย่างทนุถนอมมันอันนี้ถ้าคนที่รักตัวเองจริงๆเนี่ยนะหรือรักตัวเองเป็นก็จะไม่ทำอย่างนั้น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 ก็ยังไปปล่อยให้ใจเนี่ยเสียสติไปด้วยงุดหงิดงุ่นง่านแทนที่จะเสียหนึ่งก็เสีย2องเวลาเจ็บป่วยก็เหมือนกันนะเจ็บป่วยเพราะอาจจะเป็นเพราะมละพิษมลภาวะเป็นเพราะเชื้อโรคอาหารเป็นพิษถ้าคนที่รักตัวเองเนี่ยก็จะพยายามจํากัดความสูญเสียหรือปัญหาให้มันน้อยที่สุดแต่คนส่วนใหญ่ก็พอป่วยกายแล้วไม่พอนะ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 แม้จะเป็นเชื้อมะเร็งก็ตามาคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะถ้าเขาป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยนะบางทีอยู่ยืด น, นะอยู่ได้ยืนยาวหมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนก็นอยู่ได้เป็นสามปีก็มีแต่คนที่ซ้ำเติมตัวเองนะเอาแต่กลัดกลุมวิตกกังวลนะพอรว้ตัวเองเป็นมะเร็งหมอบอกว่าอยู่ได้สามเดือนบางทีอยู่ได้แค่สิบวันสิบสองวันก็มี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 เห็นลูกโป่งนี่โอ้ยเรียกว่าหัวใจเต้นเลยบางคนกลัวหนูบางคนกลัวตุ๊กแกทีงนี่ตุ๊กแกกับหนูผมก็ไม่ได้นหน่ากลัวเล ย, เลยหลายคนไม่กล้ามาวัดนะเพราะได้กฤษศัพท์ว่าที่นี่นะ่ยมีตุ๊กแกได้กฤิศัพท์ว่าที่นี่มีหนูเนะี่ยไม่กล้ามาอันนี้ใจของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันนะหรือว่าไม่รู้จักดูแลให้ดีนี่มันสร้างปัญหากับเราได้นะ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 ความน้อยเนื้อต่าใจก็สามารถที่จะชักนำให้เราทำร้ายตัวเองบางทีถึงกับฆ่าตัวตายก็มีทั้งวันนี้เป็นพอใจทั้งนั้นใจที่มันปรุงแต่งสารพัดมาเริ่มต้นจากการคิดเกินนะคิดโน่นคิดนี่คิดไม่เป็นใจชอบไหลคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะแล้วเกิดความอาะไรอารหรือไม่ก็ไปนึกถึงอนาคตแล้วเกิดความวิตกกังวลกระว น, กระ ว, นกระวาย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 เช่นถ้าเรามีสติเนี่ยนะซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะสําหรับการภาวนาคือการเจริญสติเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้ทันความคิดไม่ปล่อยใจให้ไหลแปรดีลอยแปรนาคหรือวจมอยู่ในอารมณ์เมื่อใจมันหลงไปแนรดีมีสติรู้ทันสติก็จะดึงจิต ก, กลับมานะอยู่กับปัจจุบันบางทีใจมันก็คิดไปถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่ามโนปรุงแต่ง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 รู้เท่าทันคนร้อนเนี่ยถ้าหากว่ารู้จักนะรู้จักทําความรู้สึกตัวเนี่ยพ<ม>าใจะให้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่เสมอเนี่ยนะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเนี่ยไอ้กิเลสที่มันทําให้ทุกขนะ์ที่มันจะชักนําให้เราเควที่จะทําให้พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เข้ามาเล่น ง, งานจิตใจไม่ได้เราจะเป็นมิกฉาตัวเองได้ง่ายขึ้นนะ<ม>เพราะว่าเรา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 ทำร้ายคนรักของเราทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายลูกนะอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวนะฆ่ายกครัวเงี้ยนะหรือที่หนักกว่านั้นคือว่าไปก่อสงครามสร้างความฉิบหายหแก่คนมากมายอันนี้เรียกว่าจิตที่ไม่มีสติเพียงเคื่อรักษานะมันก็ทําให้สามารถจะสร้างความฉิบหายได้ผู้ชาจอดว่าเนี่ย คนผ่านปัญญาสามเนี่ยย่อมทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรนะูคนที่ทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูคือทำร้ายตัวเองเนี่ยนะผู้จักเรียกว่าคนผ่านปัญญาสามถ้าทําร้ายตัวเองเนี่ยหรือว่าทํากับตัวเองเหมือนเป็นศัตรูเนี่ยนะอ ย, ย่างยับยั้งคือว่ า, าผิดศีแลและเมิดศีลนะพอผิดศีลเ ข, นะเข้าเนี่ยนะมันก็เท่ากับว่ า, วา aslında. หาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวละ ไม่ว่าจะเป็นสีงข้อใดก็ตามเนี่ยถ้าทําแล้วเนี่ ย, ยก็เตรียมตัวรับผลรับพิบากที่จะเกิดขึ้นได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าหาทุกมาใส่ตัวจากคนผิดสีเนี่ยบางทีเขเพราะเพรเขาคิดว่ามันได้ประโยชน์นะเช่นคอรัปชันหรือขโมยเนี่ยนะก็เพราะหวังหวังประโยชน์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า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 คำนี้ก็เานีอนอนินนะครับ